สุนัขขัดตะกเป็นไปได้ที่พิสูจ์บางรูปในธรรมวินัยนี้พือมีความคิดอย่างนี้ว่า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 อันน้อมไปในนิพพานโดยชอบไม่ประกอบการดูรูป Assistant? อันไม่เป็นสปายะทางตาเนืองเนึองไม่ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสปายะทางหูเนืองเนึองไม่ประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสปายะทางจมูกเนืองเนึองไม่ประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสปายะทางลิ้นเนืองเนืองไม่ประกอบการถูกต้องโผฏฐพะอันไม่เป็นสปายะทางกายเนืองเนึองไม่ประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์ อันไม่เป็นสัพเพะทางใจหนึ่งๆเมื่อเธอไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัพเพะทางตาหนึ่งๆไม่ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัพเพะทางหูหนึ่งๆไม่ประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัพเพะทางจมูกหนึ่งๆไม่ประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัพเพะทางลิ้นหนึ่งๆไม่ประกอบการถูกต้องโผฏฐะอันไม่เป็นสัพเพะทางกายหนึ่งๆ ไม่ประกอบการรับรู้ธรรมารมอนไม่เป็นสปายะทางใจหนึ่งแล้วราคะก็ครอบงำจิตไม่ได้เธอมีจิตไม่ถูกราคะครอบงำแล้วจึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกปางตายเปรียบเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรที่อาบยาพิษอย่างร้ายแรงมิดอมาดย่าสาโลหิตของเขาจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผล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 เมื่อเขาล้างแผลและทายาสมานแผลตามเวลาน้ำเหลืองและเลือด ก, ก็ไม่ปิดปากแผลเขาไม่เที่ยวตากลมตากแดดหนึ่งเนืองเมื่อเขาไม่เที่ยวตากลมตากแดดหนึ่งเนืองละอองและสิ่งโสโครกจึงไม่ถูกปากแผลเขาคอยรักษาแผลอยู่จนปากแผลสมานหายสนิทเพราะการกระทำอย่างถูกต้องนี้แผลจึงหายได้ด้วยเหตุสองประการคือหนึ่ง กำจัดโทษคือพิษอันเกิดจากความไม่สะอาดสองกำจัดโทษคือพิษจนไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่เพราะแพ้หายแล้วเขาจึงมีผิวพันธุ์เรียบสนิทจึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกปางตายแม้ฉันใดสุนักขัตตะเป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันที่พิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณนะตรัสลูกสอนคือตันหาไวแล้วว่า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 ไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสปายะทางตาหนึ่งเนืองไม่ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสปายะทางหูหนึ่งเนืองไม่ประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสปายะทางจมูกหนึ่งเนืองไม่ประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสปายะทางลิ้นหนึ่งเนืองไม่ประกอบการถูกต้องโผฏฐะอันไม่เป็นสปายะทางกายหนึ่งเนืองไม่ประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์ อันไม่เป็นสัพเพยะทางใจหนึ่งๆเมื่อภิกษุนั้นไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัพเพยะทางตาหนึ่งๆไม่ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัพเพยะทางหูหนึ่งๆไม่ประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัพเพยะทางจมูกหนึ่งๆไม่ประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัพเพยะทางลิ้นหนึ่งๆไม่ประกอบการถูกต้องโพธพภะอันไม่เป็นสัพเพยะทางกายหนึ่งๆ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 คำว่าแผลนี้เป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าโทษคือพิษนี้เป็นชื่อของอวิชชาคำว่าลูกสร น, นี้เป็นชื่อของตันหาคำว่าเครื่องตรวจนี้เป็นชื่อของสติคำว่ามีดผ่าตัดนี้เป็นชื่อของอริยปัญญาคำว่าหมอผ่าตัดนี้ เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสุนัขขตะเป็นไปไม่ได้ที่พิกษุนั้นทำความสำรวมในภาษายตนะหกจึงรู้ดังนี้ว่าอุปธิเป็นรากเงาแห่งทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากอุปธิหลุดพ้นแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิจากน้อมกายหรือปล่อยใจไปในอุปธิเปรียบเหมือนภาชนะมีน้าดื่มเต็มเปี่ยม สมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสแต่เจอด้วยยาพิษต่อมาบุรุษผู้รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาพบเข้าสุนขัขคาตะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงดื่มน้ำที่เต็มเปี่ยมภาชนะนั้นทั้งที่รู้ว่าดื่มแล้วจะต้องตายหรือทุกปางตายบ้างไหมไม่ดื่มพระพุทธเจ้าข่า สุนัขั ต, ตะเป็นไปไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในภาษายตนะหกรู้ดังนี้ว่าอุปธิเป็นรากงาเงาแห่งทุกข์และถึงเปรียบเหมือนต่อมาบุรุษผู้รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาพบอสรพิษมีพิษร้ายแรงเข้าสุนัขขั ต, ตะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร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 จึงเป็นผู้ปราศจากอุปทิหลุดพ้นแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิจากน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในอุปธิพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วเจ้าสุนขัขขตะริชวีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลสุนขัขข ต, ตสูตรที่หจบ อนนชสัปพายสูตรว่าด้วยปฏิปทาอันเป็นสัปพายะแกอนเนชสมาบัตเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวกุรุชื่อกรรมาสธรรมะแคว้นกุรุสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกามไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเทศมีความเลือนหายไปเป็นธรรมดาลักษณะของกามนี้เป็นความล่อลวงเป็นที่บนถึงของคนพานกามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาความกำหนดหมายในกามที่มีในภพนี้ และกรารมสัญญาที่มีในภพหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นบวงแห่งมารเป็นวิสัยแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นโคจรแห่งมารในกรามนี้มีบาปอากุศลทางใจเหล่านี้คือมาพิชาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภะความแข่งดีบ้างกรามเหล่านั้นนั่นเองย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นในเรื่องกรามนั้นดังนี้ว่ากรามที่มีในภพนี้และกรามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นบ่วงแห่งมานเป็นวิสัยแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมานเป็นโคจรแห่งมานในกรามนี้มีบาปอากุสนทางใจเหล่านี้คืออภิชาบ้างพยาบาทบ้าง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 สารัมภะบ้างเหล่านั้นจะไม่มีเพราะละอกุศลเหล่านั้นได้แล้วจิตของเราก็จะเป็นจิตไม่เล็กน้อยหาประมาณมิได้และเป็นจิตที่อบรมดีแล้วเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอเนญชฌสมาบัติ หรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นนั้นพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความวันไหวไมิได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัพ ป, ปายะแก่อเนชะสมาบัติประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งอริยส า, าวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่า การที่มีในภพนี้และกามที่มีในภ พ, นนพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปบางชนิดและรูปทั้งหมดคือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพูตรูปสี่ก็มีอยู่เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใส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 ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นส ป, ปายะแก่อเนญชสมาบัติประการที่สามอีประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่า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 เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายไปแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆนพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอากินจัญญายตนะภูมิ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 เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอาคินจัญญายตนะสมาบัตหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในพพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอากินจัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่า ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อากินจัญญายตนะสมาบัติประการที่สองอีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราไม่มีในที่ไหนไหนสิ่งน้อยหนึ่งของใครๆก็ไม่มีในเรานั้นและสิ่งน้อยหนึ่งของเราก็ไม่มีในที่ไหนๆในใครๆก็ไม่มีสิ่งน้อยหนึ่งเลยเมื่ อ, อริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้ว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 ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อาคินจัญญายตนะสมาบัติประการที่สามอีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้า กามสัญญาที่มีในพบนี้และกามสัญญาที่มีในพบหน้ารูปที่มีในพบนี้และรูปที่มีในพบหน้ารูปประสัญญาที่มีในพบนี้และรูปประสัญญาที่มีในพบหน้าอนเนนชะสัญญาและอากินจัญญายตนะสัญญาสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในฌานใดฌานนั้นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตเป็นสมาบัตอันสงบประณีต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 ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปพายะแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์เรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เรา หากจากไม่มีก็จากไม่มีแก่เราเพราะเราจะละสิ่งที่กําลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นพึงปรินิพานหรือไม่พึงปรินิพานพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ภิกษุบางรูปพึงปรินิพานในอัตภาพนี้บางรูปไม่พึงปรินิพานในอัตภาพนี้อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ภิกษุบางรูปปรินิพานในอัตภาพนี้บางรูปไม่ปรินิพานในอัตภาพนี้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจากไม่มีก็จากไม่มีแก่เราเพราะเราจะละสิ่งที่กาลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินชื่นชม ยึดติดอุเบกขานั้นเมื่อเธอเพลิดเพลินชื่นชมยึดติดอุเบกขานั้นอยู่วิญญาณย่อมเป็นอันอาศัยอุเบกขานั้นยึดมั่นอุเบกขานั้นอานอน์ภิกษุผู้มีความยึดมั่นย่อมปรินิพานไม่ได้ก็ภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นจะยึดมั่นในธรรมข้อไหนพระพุทธเจ้าค่าย่อมยึดมั่นในวสัญญานาสัญญายตนะภูมิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปาทานส่วนที่สำคัญที่สุดหรือพระพุทธเจ้าค่าอานนภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปาทานส่วนที่สาคัญที่สุดคืออุปาทานส่วนที่สําคัญที่สุดนี้คือเนวสัญญานาสัญญายาตนะภูมิอานนภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้ว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 อานน์ภิษุผู้ไม่มีความยึดมั่นย่อมปรินิพานได้ท่านพระอานน n เรกราบทูนว่าน่าอาัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระพุทธเจ้าค่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยเหตุนี้จึงตรัสบอกปฏิปทาเครื่องข้ามพ้นโอคะแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย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 อเนรฉสัญญาอาคินจัญญายตนะสัญญาและเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสักกายะมีอยู่เท่าใดนี้เป็นสักกายะวิโมก ค, ความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นนั่นคืออมะตะอานนท์เราแสดงปฏิปทาที่เป็นสปายะแก่ อ, อนเนนชสมาบัติไว้แล้วแสดงปฏิปทาที่เป็นสปายะแก่อาคินจัญญายตนะสมาบัติไว้แล้ว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 อานน์นั่นโคลนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งฌานอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วท่านพระอา น, นน์มีใจยินดีชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอเนชะสะ ป, ปายสูตรที่หกจบ เคณกะโมคลานสูตรว่าด้วยพราหม์ชื่อคณกะโมคลานะเ ข, า, ะ า, นะขาพระเจ้าได้สรบมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราศาสของมิคาราตาในบุพารามเคกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลคณกะโมคลานพราหม์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้สนทนาปราศัย พ, พอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญปราศาสตร์ของมิคารมาตาหลังนี้มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับคือโครงสร้างบันไดชั้นล่างย่อมปรากฏแม้พรามเหล่านี้ก็มีการศึกษาโดยลาดับมีการกระทำโดยลาดับ มีการปฏิบัติโดยลำดับยอ่มมยอมปรากฏเพื่อการเล่าเรียนแม้นักรบเหล่านี้ก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏในเรื่องการใช้อาวุธแม้แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นนักคำนวณก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏในเรื่องการนับจำนวน เพราะเขาไปเจ้าทั้งหลายได้สิทธิ์แล้วเบื้องต้นให้เขานับอย่างนี้ว่าหนึ่งหมวดหนึ่งสองหมวดสองสหมวดสามสหมวดสี่หหมวดห้าหหมวดห7เจหมวด7 8ดหมวด8 9หมวดเก0สหมวดส0ย่อมให้นับไปถึงจำนวนร้อย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 ศึกษาและการปฏิบัติเป็นขั้นตอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราสามารถเพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทําโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในธรรมวินัยนี้ได้เปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้ชํานาญได้ม้าอาชาในตัวงามแล้วเบื้องต้นทีเดียวย่อมฝึกให้คุ้นกับการบังคับในบางเฮียนต่อมา จึงฝึกให้คุณยิ่งขึ้นไปแม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บุรุษที่ควรฝึกแล้วเบื้องต้นทีเดียวย่อมแนะนำอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายเถิดพราม ในการใดภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปฏติโมเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายคือ เธอเห็นรูปทางตาแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนศีอินรีคือจักขุซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาความเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของเขาและโทมนัสความทุกข์ใจครอบงำได้เธอจงรักษาจาักขุนศีจงถึงความสำรวมในจักขุนีเธอฟังเสียงทางหูแล้ว เธอดมกลิ่นทางจมูกแล้วเธอลิ้มรสทางลิ้นแล้วเธอถูกต้องผลทพะทางกายแล้วเธอรู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรียอินรีคือมโนซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้เธอจงรักษามนินทรีย์ จงถึงความสำรวมในมณีสีพรามในการใดภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายแล้วในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารเคยเธอพึงพิจารณาโดยแยกคลายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับ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 ในการใดภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องคือเธอจงชาระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกลมด้วยการนั่งตลอดวันจงชาระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวาง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 ในการใดภิกษุเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องเติมอย่างต่อเนื่องในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะคือทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออกการครองสังคาติบาทและจีวรการฉัน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 เธอจงพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโคลนไม้ภูเขาซอกเขาถ้าป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางภิกษุนั้นพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโคลนไม้ภูเขาซอกเขาถ้าป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟาง ภิกษุนั้นกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นละอภิชาในโลกมีใจปราศจากอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาชําระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปัญญาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะละอุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและรําคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจจะุกุจจะ ละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่จึงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้านี้ที่ทำให้จิตเศร้าหมองบรรทอนกำลังปัญญาสังัดจากการมและกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเข้าปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปติติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารณ์สงบประ ง, งับไปเข้าทุติยะฌานอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายเข้าตติยะฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัต ด, ดับไปก่อนเข้าเจตุทะฌานอยู่พราหมณ์ในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเสกขาผู้ยังไม่บรรลุอรหัต ยังปรารถนาธรรมที่กเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมอยู่เหล่านั้นเรามีคำพร่ำสอนเช่นนี้แต่สําหรับภิกษุผู้เป็นพระอาหารหันตขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเหล่านั้น ทำเหล่านี้จึงจะเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่เธอทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณะกะโมคราณพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าสาวกของท่านพระโคดมที่ท่านพระโคดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้สำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวทุกพวกทีเดียวหรือ หรือว่าบางพวกก็ไม่สำเร็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามสาวกของเราที่เราสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้นิพพานก็มีอยู่ทางให้ถึงนิพพานก็มีอยู่ท่านพระโคดมผู้ชักชวนก็มีพระชนอยู่ แต่สาวกของท่านพระโคดมที่ท่านพระโคดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกกลับไม่สำเร็จพรามถ้าเช่นนั้นเราจะถามท่านในเรื่องนี้ท่านชอบใจอย่างไรพึงพยากรอย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือท่านชำนาญทางไปกรุงราชครึมิใช่หรือ ใช่ท่านพระโคดมพรามท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษผู้ปรารถนาจะไปกรุงราชครึพึงมาในที่นี้บุรุษนั้นเข้ามาหาท่านแล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปกรุงราชครึกขอท่านจงบอกทางไปกรุงราชครึนั้นให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อคุณมาเถิด ทางนี้ไปกรุงราชครึท่านจงไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจกเห็นหมู่บ้านชื่อโนนไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจกเห็นนิคมชื่อโนนไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจกเห็นสวนที่น่ารื่นรมป่าที่น่ารื่นรมภาคพื้นที่น่ารื่นรมสะบบขรณีที่น่ารื่นรมของกรุงราชครึบุรุษนั้นที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้น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 ทางนี้ไปกรุงราชครึท่านจงไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นหมู่บ้านชื่อโนนไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นนิคมชื่อโนนไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นสวนที่น่ารื่นรมป่าที่น่ารื่นรมภาคพื้นที่น่ารื่นรมจะโบกขอรณีที่น่ารื่นรมของกรุงราชครึบุรุษนั้นที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้ พร่ำสอนอยู่อย่างนี้พึงไปถึงกรุงราชคลึโดยสวัสดีพราหมณ์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กรุงราชคลึก็มีอยู่ทางไปกรุงราชคลึก็มีอยู่ท่านผู้บอกก็ยังมีชีวิตอยู่แต่บุรุษที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้คนหนึ่งจำทางผิดเดินไปเสียทางตรงกันข้ามคนหนึ่งเดินทางไปถึงกรุงราชคลึโดยสวัสดี พรามกราบทูลว่าท่านพระโคดมในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรได้ข้าพเจ้าเป็นเตบผู้บอกทางพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามฉันนั้นเหมือนกันนิพพานก็มีอยู่ทางไปนิพพานก็มีอยู่เราตถาคตผู้ชักชวนก็มีอยู่ก็เมื่อเป็นเช่นนี้สาวกทั้งหลายของเราที่เราสั่งสอนอยู่อย่างนี้พรามสอนอยู่อย่างนี้ บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้ตถาคตก็เป็นแต่ผู้บอกทางเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณกกะโมคลานพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาประสงค์จะเลี้ยงชีวิตออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต เป็นผู้โอ้อวดมีมานยาเจ้าเล่ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลกลับกรอกปากกล้าพูดพร่ำเพื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอย่างต่อเนื่องไม่นำพาในความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างจริงใจในศิก ข, ขามากๆย่อหย่อนไปเป็นผู้นาในโอ ก, กระมณ ร, รม ท่อทุระในปวิเวก ค, ความสงัดเกียรคร้านละเลยความเพียรหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวดแกว่งมีปัญญาทึบเป็นดังคนหนวกและคนใบท่านพระโคดมย่อมอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นไม่ได้ส่วนคุณบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเป็นผู้ไม่อโ อ, อดไม่มีมารยาไม่เจ้าเล่ห์ไม่ฟุง้งซ่าน ไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่มเพื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเครื่องเติมอย่างต่อเนื่องนำพาในความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างจริงใจในศิข่ข้าไม่มากมากไม่ย่ อ, อย่อนทอธทุระในอกกรมณธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารบความเพียรอุทิศกายและใจ มีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดังคนหนกและคนใบ้ท่านพระโคโดมผู้เจริญย่อมอยู่ร่วมกับกุลบุตรเหล่านั้นได้บรรดารากไม้หอมบรรดิตยกย่องกลิศนาว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมบรรดิตยกย่องแก่นจันแดงว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีดอกหอม บัณฑิตยกย่องดอกมะลิว่าเป็นเลิศแม้ฉันใดคำสั่งสอนของท่านพระโคโดมก็ฉันนั้นเหมือนกันจัดว่ายอดเยี่ยมกว่าอัจฉริยธรรมทั้งหลายท่านพระโคโดมพระพาสิทธของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมพระพาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเรายะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณนะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจาข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แล คณะโมคลานสูที่เจ็ดจบ